มรนาบุญกับกลุ่มคณะพุทธธรรมเคลื่อนนำทองคุณใจนะผู้ที่มีอาชีพทำอยู่ประกันชีวิต AIA นะก็มาทุกการก็ประทับใจสถานที่ที่นี้แล้วก็บุคคลที่เข้าฟังการบรรยายธรรมแต่ละครั้งเน มีความกระตือรือร้นสนใจที่จะฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเจ้าพระสงฆ์แล้วก็ที่เป็นคารวะอนโมตนาบุญกับผู้ที่จัดรายการเลยนะก็เป็นรายการที่ช่วยพัฒนาจิตพัฒนาชีวิตให้อยู่ในโลกที่ไม่ปกติอย่างนี้ล่ะยังมีความสุขได้ ผมเองก็ก็มีหน้าที่ก็มีอาชีพเหมือนกันผมก็เป็นตัวแทนชักชวนคนมาทำประกันชีวิตด้วยธรรมะเพาะมาจากพุทธบริษัทก็ทำหน้าที่อย่างนี้แหละเพราะว่าศรัทธาศรัทธามีความเชื่อเลื่อมใสในหลักธรรมในพุทธศาสนา ที่ศรัทธาที่เริ่มสายนั่งก็เพราะว่าเห็นคุณค่าเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราได้ทำเห็นคุณค่าของธรรมะว่ามันดับทุกข์ได้จริงแล้วก็สามารถทําประโยชน์กับบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในชีวิตของเร า, าเนี่ยศรัทธาตัวนี้มันจะเกิดพลังศรัทธาทำให้เกิดพลังกระตรือลน้น เนี่ยที่จะทำในส่วนที่เราอยากจะทาที่เป็นประโยชน์ที่มีสาระก็จะมองข้ามอุปสรรคต่างๆการจะทำอะไรก็ตามก็ย่อมมีอุปสรรคแต่ถ้าเราศรัทธาแล้วมันมีพลังที่จะสามารถข้ามอุปสรรคไปได้โดยที่เราไม่ปล่อยจิตปล่อยใจให้ค้องคาลกับอุปสรรคที่เราจะทำถ้ามัวแต่สนใจกับเรื่องอุปสรรคที่เกิดขึ้น ว่าทำแล้วจะได้อะไรจะมีประโยชน์ไหมถ้าเกิดปัญหางุ้งทํายังไงแล้วก็อยุดแต่แค่อุปสรรคแล้วก็ยังหยุดทําแล้วก็ไม่ได้ทํามีแต่โครงการถ้าเรารู้จักมองข้ามการกระทํานี่มันจะง่ายขึ้นขคาอุปสรรคไปได้แล้วเนื้อจะรู้ว่าอันนั้นไม่ใช่อุปสรรคเลยมันเป็นความเข้าใจผิดของเราต่างหากทุกอย่างทุกเรื่อง แม้แต่การปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าการรมจิตตภาวนามมนไม่มีอุปศาศาออรสรรคก็เลยศรัทธาที่จะทาในส่วนนี้โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติธรรมธรรมะปฏิบัติไม่ใช่เอาแค่เพียงมาฟังมาคิดแล้วก็สงสัยแล้วก็ถามแล้วเก็บไว้เป็นความรู้บันทึกไว้ในสมอง เราก็ยังไม่ถึงจิตถึงใจสมองกับจิตนี่มันคนละส่วนกันสมองเป็นส่วนรูปประทับมองเห็นได้สัมผัสได้แต่จิตเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าสมองจิตไม่มีตัวไม่มีตนมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่เราสัมผัสรู้ได้แค่เราเพียงคิดนึกเอาเท่านั้นเราก็ได้แค่บันทึกไวนในสมองความรู้จากสมอง มันก็ลืมได้ถ้าความรู้จักจิตก็ไปสัมผัสเกิดจากการปฏิบัติคือจิตตะภาวนามันจะลึกก็ไปสู่จิตวิญญาณที่แท้จริงแล้วมันไม่มีวันลืมมันไม่ลืมมันเป็นเรื่องของต้นต่อของชีวิตก็คือที่จิตทิ่ใจและต้นต่อของชีวิตอยู่ที่จิตทิจใจใช่หไหมเขาเรียกว่าชีวิตจิตใจ ถูกแล้วเราจะกาว่าชีวิตจิตใจชีวิตไม่ใช่ที่ร่างกายอย่างเดียวนะจิตใจต่างหากคือตัวชีวิตถ้าเรามีแต่ร่างกายแล้วมีจิตเหมือนกันแต่เราไม่รู้ถึงต้นตอของชีวิตจิตใจจิตใจเลื่อนลอยเราก็มีชีวิตแต่มันไม่มีชีวานะชีวิตชีวามันจะกระตือรือร้นทำอะไรก็สนุกสนุกกับการกระทำทำผิดก็สนุกทำถูกก็สนุก นั่นคือชีวิตชีวาคำว่าทอแท้ทอถอยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของกิเลสโดยเฉพาะการเจริญสติการเจริญสติเนี่ยก็เป็นสิ่งเดียวกับจิตตภาวนาจิตตภาวนาคือการทำจิตให้เจริญภาวนาแปลว่าเจริญการเจริญสติ ก็คือการทำจิตให้มันเจริญให้มันพัฒนาให้มันตื่นขึ้นมานะซึ่งทุกคนก็มีอยู่แล้วจิตแต่ว่ามันยังไม่ค่อยจะตื่นยังถูกครอบงำโดยความคิดโดยอารมณ์ที่ปรุงแต่งมองไม่เห็นจิตตัวเองเห็นแต่อารมณ์ที่มาปรุงแต่งซึ่งมันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าจิตแต่มันเล็กกว่าจิต ควาอาศัยจิตเกิดจิตมันต้องมีอยู่ก่อนอารมณ์ปรุงแต่งก็มาที่หลังแต่อารมณ์ปรุงแต่งมันมีรสชาติมันสุขมันทุกข์มันฟูมันแฟบมันมีรสชาติแล้วก็ติดอยู่ที่แค่อารมณ์มันก็เข้าไม่ถึงจิตทั้งที่จิตมันก็เป็นสิ่งที่รองรับอารมณ์อยู่แล้วเราไม่มีดวงตา เห็นธรรมะคือไม่ได้เห็นจิตที่เป็นต้นตอของชีวิตที่แท้จริงนอกจากเราจะมาเจริญสติหรือจิตตภาวนาเท่านั้นจึงเข้าไปถึงจิตใจของตัวเองได้ก็สิ่งนี้แหละการเจริญสติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับทุกๆคนเพราะมันสามารถกันและก็แก้ปัญหาได้ลารพัดใครมีปัญหาชีวิต นึกวิธีแก้ไขไม่ได้ก็ลองเจริญสติดูมันก็จะหมดปัญหาณนะปัจจุบันนั้นทันทีเนีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์สําหรับคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เอาอย่างปัญหาปัจจุบันเอาเรื่องปัจจุบันก่อนที่มันใกล้กับตัวเราและบางทีมันก็เกิดกับตัวเราด้วย ในแต่ละวันเนี่ยการดาเนินชีวิตเนี่ยเราย่อมได้สัมผัสกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในตัวทั้งรอบตัวเราจากคนอื่นที่กระทําให้เราบุคคลอื่นกระทําให้เราแล้วก็จากธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเอง โดยเป็นกฎเกณฑ์ของโลกเช่นธรรมชาติทำให้เราแค่ภัยพิบัติต่างๆอุบัติภยัยเห็นไหมเนี่ยก็ที่ระยะที่ผ่านมาเนี่ยมีพายุฤดูร้อนมีแผ่นดินไหวฝนตกหนักพายุโซนร้อนเทอร์นาโดลอยเลื่อนต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งเราก็ไม่อยากจะเจอแบบนั้นอะแต่ธรรมชาติเขาย่อมแสดงปรากฏการณ์เขา เขาก็จะแดงตัวเขาเองแต่มันสำคัญว่าเราต้องขอาไปเกี่ยวข้องถ้าใครได้กระทบกับภัยธรรมชาติอุทกภัยที่ผ่านมาหรือว่ า, าภัยต่างๆเนี่ยอา ก, กีภัยเราก็จะเกิดการสูญเสียนะไหนใครได้สูญเสียจากน้ำท่วมบ้างมีไหมครับโ อ, โอ้สูญเสีย เสียทรัพ์สมบัติบางทีก็เสียหน้าที่การงานบางทีก็ถึงกับเสียอวัยวะก็มีนะจากอุบัติภัยต่างๆเสียอวัยวะเสียความรู้สึกเสียหน้าก็มีบางทีก็เสียนิสัยเรื่องความสูญเสียมันเยอะเห็นไหมความสูญเสียอย่างเดียวไม่เป็นไรมันทำให้ใจเรามันเสียศูญใจเสียศูญคือใจไม่ปกติ เสียศูนย์ผิดปกติเกิดความเศร้าหมองทุกข์ใจนั่นคือจิตที่เสียศูนย์ไปแล้วเราศูนย์เสียสิ่งภายนอกซึ่งเราหลีเรี่ยงไม่ได้แต่เราก็รู้ไม่ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ทําให้ใจเราเนี่ยเสียศูนย์ไปด้วยเสีย่องต่อแต่ถ้าใครฝึกจิตรสติอยู่เนืองเนือง มีกรราฐานรักษาใจไว้สติมันจะรู้ทันนะรู้ทันการสูญเสียว่าอ๋อเป็นสิ่งธรรมดาไม่ใช่เราเสียคนเดียวคนนู้นก็เสียบางทีเสียมากกว่เราซะด้วยหมดเนื้อหมดตัวอะไรก็มีแต่เรายังมีอะไรเหลืออยู่อย่างน้อยก็ได้มาคุยกันว่าอ๋อเราสูญเสียไปละแต่เรายังมีร่างกายให้เราได้เห็นตัวอยู่ ถ้ามีสติเนี่ยมันจะเริ่มสตินี่จะตัวที่ป้องกันจิตไม่ให้เสียสูนรักษาจิตให้เป็นปกติได้แล้วก็จะมีปัญญาในการเรียนรู้กับสิ่งที่เราสูนเสียอยู่กับความสูนเสียได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์ก็เสียแค่หนึ่งเดียวถ้ามีสติเสียแค่หนึ่งเดียวเสียแค่เพียงฝ่ายนอกซึ่งใครๆเขาเสียก็เรืธรรมดาตั้งแต่เกิดมานี้เรา เสียอะไรมามากมายมนับไม่ถ้วนไม่ใช่ของแปลกนะการสูญเสียสิ่งภายนอกแต่เราถ้ามีสติเรามีความฉลาดสามารถรักษาจิตไม่ให้เสียสูญถ้าจิตไม่เสียสูญเนี่ยเราสามารถฟื้นฟูใหม่ได้อาจจะดีกว่าเดิมทวีซ้าไปใช่ ไ, ไมการสูญเสียภายนอก แต่ใจไม่เสียสูญเราฟื้นฟูบางทีได้เก็บอะไรกเก่าๆทิ้งไปซะบ้างซึ่งมาก่อนเราตัดสินใจไม่ได้เสียดายสิ่งเหล่านั้นพอน้ําท่วมพัดพาไปเออโลกไม่ดีมจะได้ว่างๆที่ก็เปลี่ยนมุมเปลี่ยนห้องใหม่ไอ้ที่เราหมกไว้ตั้งนานหาไม่เจอโอ้มาเจอตอนน้ําท่วมมันไม่ใช่เสียหายนะมาเสียได้เสียได้ ผมว่าดีนะถ้าคนมีสติจะมรณาสิ่งที่สูญเสียเป็นสิ่งนี้นเออมันไม่ใช่เป็นที่เลวร้ายเลยนะะมันเสียบางอย่างได้อย่างอย่างน้อยใจเราก็ได้ได้ทิพได้ใจแล้วเสียแค่ต่อเดียวแล้วก็ยอมเสียเพราะเสียอยู่แล้วตายไปแล้วก็ออกไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าใจเสียนี่มันคิดอะไรไม่ออกนั่งหมวกบุ้นกุ้ น, ค, นคิดโอ้เราแย่กว่าเขาก็ดูแต่เราเราก็แย่เขาเราดูเขาสิ บางทีเขาก็แยกกันเรานะในเวลาเกิดความสูญเสียนังกลองมองให้ไกลเปิดใจกว่าดูสิ่งรอบๆว่ามันเป็นยังไงคนส่วนมากเวลามีความทุกข์ใจใจไม่ปกติก็จะมองแต่ตัวเองมกมุ่นแน ต, ตัวเองแล้วใครมาปลอบใจก็ไม่เชื่อก็แถมบอกเขาเฮ่อไม่เป็นอย่างฉันเธอไม่รู้หรอกมันปิดเข้าไปอีกเราจะปิดฝามอและคว่ำนะ อย่าเงี่ยเราจะไม่ได้พัฒนาเลยรับฟังเอาไว้จะน้อยการได้ฟังเนี่ยก็เป็นการดึงจิตออกจากอารมณ์ได้เพื่อจะฟังก็ชั่วขนาดหนึ่งเปิดใจกว้างรับฟังก็ฟังเอาไว้ไม่เสียหายวันที่ได้เงี้ยคิดดีด้วยซ้ำไปการสูญเสียก็ทําให้ใจนีไม่เสียสูญถ้าเรามีสติรักษาใจเอาไว้อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ถูกกระทําโดยบุคคลนะ่ะ ถูกกระทาโดยบุคคลเนี่ยจริงๆริมันไม่ใช่ตัวคนอื่นทำเราเราทำใจเราเองต่างหากแต่เราไม่เข้าใจโดยออทั่วไปเออคนนน้นมาทำเราคนนี้มาแกล้งเราคนนี้มาติจินตนินทาเราการนินทานี่เป็นเรื่องธรรมดาไหม <c oughs> มีใครไม่เคยตูกนินทาบ้างเออมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นโลกกระทมเป็นของกู่โลก นินทากับสารเสื่ถ้าเราเคยถูกสารเสริญแล้วก็ถูกนินทาไปก่องคู่กันถ้าเราไม่อยากถูกนินทาเราก็อย่าไปยึดติดในคำสารเสื่อนสินะเราวางอย่างมันมันได้2องอย่างเลยนะ <c oughs> ถ้าเรายึดสักอย่างแล้วก็เราก็ได้2ออย่างเหมือนกันถ้าวางอย่างเดียวได้2องอย่างเลยถ้าไปยึดติดในสารเสริญ น, นินทามันต้องแน่นอน พอชอบคำสรรเสริญแล้วครนินทาไม่ได้ล่ะเห็นไหมเราอยากได้อย่างมนาะไปทิ้งอีกอย่างมันไม่ได้เราโอ้สรรเสริญก็อย่างนั้นแหละนินทาก็อย่างนั้นแหละมันไม่เอาทั้งอย่างเลยนะมันเลยเป็นกลางอยู่ระหว่างคํานินทาสรรเสริญนินทานั่นคือโลกกระทำทุกคนย่อบถูกตำกระแทกกระแทกตีกระแทกใจให้ยับเยินเพราะคํานินทาก็หลายคน ลมปากของคนเนี่ยมันร้ายแรงกับลมพายุนะลมพายุเนี่ยมันพัดทำลายได้บริเวณหนึ่งแต่ลมปากนี่ <c oughs> มันทำลายได้ทั้งโลกทั้งประเทศเลยแค่ลมปา ก, กนั้นนะมันร้ายแรงมากถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่มั่นคงแล้วก็พังพินาศไปเพราะลมปากจุดอ่อนของคนเราสมามารถจะตกหลุมตกหลุมทุกเพราะคำนินทา ก็เรียกว่าจิตถูกกระแทกยับเยินทุกใจเสียใจน้อยใจถ้าคนที่มีสตินี่นะจะดูเราเมื่อถูกนินทารับรู้รับทราบแล้วดูใจเรานี่ถ้ากลับมาดูใจเราเนี่ยมันคํานินทาเนี่ยมันมันหมดมุกไปเลยหมดมุกที่คำนินทานะนะหมดมุกเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไปสนใจคำ น, นินทามาดูใจเรา ไอ้ที่เขานินทาเราจริงไหมถ้ามันไม่จริงเราอ๋อเขาก็พูดผิดน่าสงสารเขาเนาะเขามาปลักปําคนที่บริสุทธิ์ได้ยังไงน่าสงสารค่ะและอย่างเราจะได้ระวังตัวโอ้ดีแล้วล่ะเขาดินทาเราไม่อย่ากเขาเตือนเราระวังตัวเราไม่มีโอกาสผิดอย่างนั้นแน่นอนเหมือนเขาเตือนเราให้เรารู้ตัวด้วยคำนินทาเนะย เราก็จะไปโกรธท่านทำไมเราก็ไม่โกรธเพราะเขาพูดผิดแต่ถ้าคำดินทานนั้นเราดูใจแล้วเราเออเราเป็นอย่างเขาว่าจริงมันก็ถูกของเขามันเป็นอย่างเขาว่าจริงเราจะไปโกรธเขาทำไมเขาพูดถูกแล้วเราจะได้แก้ไขยอย่างตัวเรามันก็มีแต่ดีทั้งสองด้าน คำนินทาอะไรเป็นคําบอกเล่าบอกกล่าวให้เราระวังตัวให้เราเตรียมตัวให้เราแก้กตัวเราเองโอ้ขอบคุณที่นินทาแล้วนะถ้าเขาไม่นินทาเราไม่รู้เลยเราเป็นอย่างไรมันอยู่ที่ใจเราเห็นจิตเห็นใจที่มันฟูฟูแฟบแฟบกับคํานินทาถ้ามาดูใจเราเนี่ยมันไม่ฟูนะมันไม่แฟบนะมันจะรู้สึกนิดหน่อยกระเพื่อม น, นิดหน่อยดูจิตดูใจเรา นี่มันเป็นธรรมะปฏิบัตินะอะไรอย่างคนที่มันทํางานด้วยกับเราอ่คนทํางานด้วยกับเราบางทีมันก็ทําให้เราปั่นป่วนเหมือนกันนะเห็นไหมเขาเครียดแล้วก็เครียดด้วยเขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเขาไม่ค่อยยิ้มไอ้คนรอบข้างเลยปล่อยเครียดด้วยโอ้ไปเป็นอย่างนั้นทําไมเขาคือเขาเราคือเราใครเครียดก็ทุกเองแล้วก็เป็นปกติ อย่าติดโรคเครียดของเขาอย่ า, อาความปิดปกติของเขามาทําลายความเป็นปกติของจิตหัวใจเรานะมีสติรู้ทันวอนีิมเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเ <c oughs> นาีมันแบ่งแยกอย่ า, อาไปรวมกันถ้ารวมเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ต้องทุกข์วุ่นวายใจพปเขาแล้วพยายามจะไปเปลี่ยนเขามันเปลี่ยนไม่ได้หรอกเข้าใจเขา ครับเป็นอย่างนั้นเองแต่เราไม่เป็นอย่างเขากันแล้วกันเข้าใจเขาเข้าใจเราเราไม่ใช่อย่างเขาเราอยู่ในสังคมอ่ะเราเจอคนหลากหลายลักษณะคนดีก็มีคนพูดเพราะก็มีคนหน้ายิ้มก็มีคนหน้าบึ้งก็มีมันหน้าของเขาไม่จะหนา้าของเราเราจะไปเดือดร้อนทำไมใช่ไมต้องรู้จักรักษาใจเรานี่ต้องมีสตินะถ้าไม่มีสติ ควบคุมใจเนี่ยใจมันถูกสิ่งแวดล้อมกระแทกยับเยินนีเหมือนกันสติรักษาใจไม่ให้ยับเยินนะื่อกีเราเกิดปัญญาบางทีนึกสงสารโอชีวิตเรามันก็น้อยนะักอีกไม่กี่ปีแล้วก็ตายแล้วจะไปทุกข์ทำไมให้เสียเวลาชีวิตเนาะใช้เวลาที่เหลือนี่ยอยู่ยังมีความสุขดีกว่ายิ้มก็ไว้ไม่มีความหมายก็ยิ้มอย่างดี้สักกว่าย้อยทำให้บรรยากาศ ร, รอบค้างเนี่ยมันสดชื่น มันก็ได้บุญอี่างต่างา <t os> ต้องจะเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเปลี่ยนจิตเปลียนใจจากร้ายมากลายเป็นดีได้การเจริญสติเนี่ยสามารถเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธได้ดังปาฏิหาริย์เหมือนกันนะลองทําดูสักครั้งเนึ่งเาจะรู้ว่าโอ้มันง่ายมากมันง่ายมันยากเพราะว่าเราไปเชื่ออารมณ์ตัวเองเราขาดสติทํามีสติ ด, ดูใจเราสักหน่อยในขณะนั้นไอความวุ่นวายอยู่ข้างนอก มันก็เรื่องของข้างนอกแต่รู้อยู่ข้างในข้างนอกไม่สามารถทําให้ใจวุ่นวายได้ถ้าเรามีสติคอยรักษาใจอยู่ก็ปลอดภัยใจเราก็ปลอดภัยจากสิ่งที่มากระทบกระแทกไม่ถึงใจใจไม่ยับเยินเพมีสติคุ้มครองใจอยู่นะคำนินทาอันนี้ก็เรื่องกับของตัวเราใช่ไหมเราได้เคยเจอทั้งนั้นใช่ไหม ตำหนีอาจจะร้ายแรงกว่านี้หรืออาจจะเบ า, าบางกว่านี้ก็แล้วแต่วิบากแต่ละคนเอาแล้วเรื่องของความเจ็บไข้ความเจ็บไขยก็เป็นเรื่องของตัวเราเองเจ็บทนานร่างกายใครไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยมัมีหมเนยเรื่องธรรมดานะความเจ็บป่วยทางกายเราก็รู้เรื่องธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่รวงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แต่เจ็บทีไแล้วก็ทุกข์ใจทุกทีความเจ็บเป็นเรื่องของกายแต่ใจแล้วก็ทุกทุกครั้งไปที่มันเจ็บไข้ทุกขเวทนาทางกายก็ทําให้เกิดทุกทรมานทางใจเหมือนกันเพราะขาดสติเป็นกรรมการกั้นจิตกับกายสติเป็นกรรมการ <c oughs> กั้นจิตกับกายให้รวมกันนะ เพราะร่างกายป่วยใจยก็ป่วยไปด้วยป่วยทั้งกายป่วยทั้งจิตแล้วจะมีใครช่วยใครถ้าไม่ีสติมันจะเกิดการแยกมีสติรับรู้รับทราบความป่วยไข้ทางกายอย่างเดียวเท่า น, นั้นการที่แยกกระสวนระหว่างจิต ก, กับกายมันก็คออัดแยกันอยู่แล้วมีสติรู้เท่าทันอ๋อเรื่องของกายมันเป็นทุกขเวทนาเป็นธรรมดา ในสติมันมีปัญญาล้เรารู้รับทราบไปโอกามเจ็บไข้ได้ป่อยเรื่องของร่างกายเวทนาที่เกิดขึ้นก็เรื่องของกายแต่ก่อนกายไม่มีเวทนาแต่พมีทุกวเวทนาเกิดขึ้นโอกายมันก็มีเที่ยมเนี่ยลองดูได้จิตทีม่มันยอมรับสักหน่อยจิตที่ยอมรับคือจิตที่เป็นกลางจิตเป็นกลางเราไม่เข้าใจคํานี้เราก็พยายามบางังคับให้จิตเป็นกลางลองยอมรับสิ คนไทยเราก็ใจครับว่าอยอมรับได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วจะเรียกว่ายอมรับด้วยเหตุผลแต่ไม่ได้ยอมแพ้จิตก็ไปช่วยกายบีบนวดกินยาพาไปหาหมอโดยที่ใจไม่ต้องทุกข์ก็ได้นะถ้าใจเป็นทุกข์แล้วมันก็ก็ต้องกินยาหาหมอเหมือนกันแต่พาทุกข์กับทุกข์ไปหาหมอ พาทุกกายกับทุกใจไปหาหมอรักษาทุกกายแต่คนใกล้กับทุกใจหมอก็ไม่ได้ทุกกายแต่ทุกใจ <c oughs> ผ่องกายเยอะเหลือเกิน <c oughs> เรามีสติรู้ท้อทันตั้งหน่อยอ๋อเรื่องทุกข์กับเวลาเรื่องของกายเนาะไม้เป็นไรหรอกแล้วก็ช่วยช่วยกายมันกายเหมือนเด็กอ่อนจะ ต, ต้องคอยช่วยเหลือให้มันกินให้มันนอนให้มันอาบน้ําให้มันทายใจต้องดูแลกายเขาเรียกจิตเป็นนายกายเป็นเบา แล้วใครเป็นผู้ที่ทำให้จิตมันดูแลกายนะคืสติปัญญานะนะเวลาร่างกายเปิดไข้ใจอย่าเป็นทุกข์นะทำใจดีๆเราป่วยเฉพาะร่างกายนะใจไม่ได้ป่วยก็พาร่างกายไปหาหมอกินยารักษาซะสติมันช่วยได้นะมันแยกกายแยกจิตบางทีร่างกายมันเกิดกระสับกระส่ายเพราะทุกขเว น, นามบีบคั้น ย่อมีเป็นเรื่องธรมรมดาจะไปดิบธรรมอาไนร่างกายก็ต้องถูกบีบคันม่ไดกรสับกระสร่ า, สายตัวร้อนไอเนี่ยจามต่างๆธรรมดาแต่ใจเนี่ยไม่ได้กระสรับกระส่ายด้วยใจมันไม่ทุกมันปกติรับรู้รับทราบเอาไวา้เพราะมันเป็นคนลสวนกันใจเป็นผู้รู้กายเป็นผู้เป็นเป็นอะไรต่างานานา มีสติมันแยกได้สติเนี่ยสามารถแยกทุกข์ออกจากกายออกจากจิตได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะมันเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ได้ถ้าเรามีสติขอไม่ทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายที่ไหนล่ะเป็นเรื่องของจิตใจต่างหากรางคนไม่ทุกข์คนที่ปฏิบัติธรรมมันต้องป่วยต้องไม่ทุกข์ดิ ร่างกายมันเป็นทุกข์แต่ใจมันไม่ทุกข์ได้ผู้เจ้า ก, ก็อาพาธแต่จิตไม่ได้อาพาธเป็นเฉพาะร่างกายและเรื่องการป่วยไข้ก็ ร, รักษากันไปและเรื่องไม่ทุกข์ทางใจเนี่ยเราสามารถที่จะ ด, ดูแลด้วยจิตใจได้กายไปเรื่องความทุกข์จิต เ, เรื่องความไม่ทุกข์อย่างเดียวเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ใช่ไหม มีกายเกิดมาเพื่อจะทุกข์อย่างเกิดมาเพื่อไม่ทุกข์เนี่ยนี่ถ้าเราฝึกสติเนี่ยมันมันมีเหตุผลในด้านจิตใจทางจิตวิญญาณไม่ใช่เหตุผลทงจากสมองจิตมันแบ่งแยกเองวะนี่เป็นเรื่องของกายยิ้มอยู่ได้แต่ทราบร่างกายที่ไม่ป ก, กติแต่ใจมันก็ป ก, กติไม่ต้องเรืงความตายเหมือนกันนะความตายเนี่ย ดี๋ยวก็ถามว่าใครไม่กลัวตายบ้างก็ไม่อยากถามที่มันกดดันคำถามแบบนี้ไอไม่ตอบไปเดี๋ยวก็หาว่าเรากลัวจริงๆไอตอบก็เดี๋ยวหาว่าเราอุตลิข์เราเลยไม่ถามแต่ผมถามดีกว่าเรากลัวตายเราเคยตายไหมอ๋อบางคนอยากหน้าเคยเคยเมื่อไหร่ล่ะถ้าเคยคงจะไม่มาคุยกัน เราก็ไม่ได้เคยตายนะแต่เราไปกลัวตายเราไปกลัวนถึงที่เรายังไม่เคยไอ้แกล้งตายก็ไม่คิดนะเพราะยังไม่ตายแต่ถ้าเกือบตายนะมีแต่ละคนมีความเกือบตายอยู่เกือบทุกคนอะเกือบตายกันผมก็เคยเกือบตายเหมือนกันคิดว่าตายแล้วแต่มันยังไม่ตายเอาแต่ว่าเราเกือบตายยังไม่ตายจริงๆอย่าเพิ่งไปกลัวมันนะเพราะเรายังไม่ได้ตายจริงไอ้สิ่งที่เรากลัวบางทีมันหลอกให้เราเป็นทุกข์ล่วงหน้า คือถึงเวลาตายอาจจะไม่ไม่ทุกอย่างที่เรากลัวก็ได้ความตายเป็นประสบการณ์ครั้งสุดท้ายของชีวิตเราประสบการณ์ครั้งสุดท้ายเนี่ยความตายเนี่ยเป็นบทสุดท้ายของชีวิตที่คนจะต้องเจอเป็นศึกจริงพบที่เราจะต้องเจอหรือเลี่ยงไม่ได้เนี่ยต้องเจออารมณ์คนที่ใกล้จะตายเนี่ย จะมีความฟุ้งซ่านมากที่ไม่มีสตินะถ้าขาดสติกาดขาดการภาวนาอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยจะฟุ้งซ่านจะมีความมิตกกังวลกลัวตายแล้วมันดีก็อ้างว้างว้าเหวเหมือนเรากําลังเดินทางอยู่บนทางสายเปลี่ยวเพียงคนเดียวไม่มีใครเป็นเพื่อนคนที่นั่งใกล้เราจับไม้จับ ม, จมือเราคนนี้เขาก็ช่วยได้แค่คนนี้เองแต่ช่วยใจเราไม่ได้ ก็ยังดีกว่าที่ปล่อยเราอยู่คนเดียวนี่คนขาดสติจะว้าวเวยมากจะเป็นทุกข์มากเ่นนั้นแล้วจิตใจจะไม่สงบเราจะต้องฝึกสติไว้ถ้าคนมีสติเนี่ยจะรักษาจิตให้เป็นปกติได้มันจะไม่หลงตายตายังมีสติได้ต้องฝึกตรงนี้ไว้ฝึกจิตตภาวนาไว้จิตมันจะปกติจะสงบ อา จ, จอารย์มนไว้บ้างแต่มันก็กลับมาอยู่ที่ฐานของมันได้หลวงพ่อเทียนเคยบอกว่าแม้ว่าเราเจริญสติได้แต่ละวันเนี่ยทําอยู่เสมอเนี่ยเราไม่เห็นอะไรไม่รู้อะไรไม่บรรลุผลอะไรก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าก่อนจะตายสิบถึงยี่สิบนาทีเราอาจจะเห็นผลในตอนนั้นก็ได้นี่ เพราะจิตมันจะไปคว้าเอาสิ่งที่เราเคยทําที่เป็นกุศลเอาไว้เนี่ยเนี่ยเรามีกระเป๋าอยู่สองใบนะใบหนึ่งอกุศลแล้วก็ทํากุศลแล้วก็ทําบุญแล้วก็ทําบาปล้วก็ทําอะไรที่มันมากกว่าจึงนั้นก็จะเข้าสู่จิตสุดท้ายได้มากกว่านะ <c oughs> นั้นสินห้าจึงผิดไม่ได้ ความผิดแม้แต่นิดเดียวไม่ทํำซะเลยดีกว่าเนี่ยบาปแม้แต่นิดเดียวไม่ทำซะเลยดีกว่ า, า, ม, ดดว ม, วามันมีผลเพราะฉะนั้นจิตสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดมันจะเกิดขึ้นกับจิตกับใจเราได้ในสิ่งที่ทําอยู่หนึ่งเลียงถ้าคนมีสติเนี่ยจะดึงเอาส่วนที่เป็นฝ่ายกุศลมาสุดสี่ใจได้ง่ายมากได้ไวไยมากชํานาญมากจิตสุดท้ายสิบถึงยี่สิบนาทีเราอาจจะเห็นผลตรงนั้นก็ได้นะ ถ้าเราฝึกไว้เนี่ยไม่สูนหายและโดยเฉพาะคนที่ฝึกสติไว้เนืองๆ เ, เนี่ยมันจะเจอปรากฏการเราจะไม่ตื่นเต้นนะจะเป็นปกติธรรมดาอย่าเรื่องเป็นความปกติไปเรื่องธรรมดาไปถ้าฝึกไว้เป็นประจำนะเนี่ยโดยที่เราให้ความสำคัญและมีศรัทธามีความเพียรเราอาจจะเกิดทางเห็นธรรมฮะ เกิดทางที่เห็นธรรมได้เห็นธรรมคือเห็นอะไรเห็นความจริงของกายของจิตนี้เป็นมันเป็นไตรลักษ์ได้ด้วยสติด้วยปัญญาสามารถปล่อยวางกายวางจิตได้ในช่วงของจิตสุดท้ายก่อนจะดับแล้วก็ไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดเป็นปาฏิหาริย์ก่อนปลายได้ทำไปซึ่งหลายคนเนี่ยผมเคยเห็นคนที่ปฏิบัติธรรม ที่ฝึกภาวนาวเสมอๆฝึกปฏิบัติเสมอๆ เ, เนี่ยก่อนจะตายเนี่ยไม่เคยมีความทุรนทุรายเลยจะนิ่งจะมีความนิ่งแล้วก็ตายไปยด้วยใจสงบเกือบทั้งนั้นนอกจากคนที่ปฏิบัติธรรมไม่จริงก็หลอกๆนะข้างนอกว่าปฏิบัติแต่ข้างในนี่พุ่งซานมากอย่างนั้นช่วยไม่ได้มาฝึกที่ใจแล้วถึงเวลาแล้วมันเป็นได้จริงๆ สิ่งที่เรากลัวทั้งหมดเนี่ยมันคือแค่ความคิดเท่านั้นสุดท้ายแล้วจิตมันจะขว้าอากุศลตัวนี้เอาไว้แล้วมันจะนิ่งก่อนตายบางทีมันวางเลยวางทุกอย่างวางกายวางจิตแล้วก็จิตก็ดับไปไม่ต้องไปเกิดในภพไหนต่อไปสิ้นภพสิ้นชาติในช่วงแล้ะสุดท้ายตัวมีประโยชน์นะล้วที่เคยเจอมาเป็นงั้นจริงๆ จะครูบาจารย์เล่าฟังก็อย่างนั้นยิงๆ จ, จ, จะไม่ทุรนทุรายมันคนที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ฝึกจิตไว้เนี่ยกุศลเข้าไม่ถูกพอมีสติชักล้ามาก็ไม่ถูกมีแต่ความคิดความคิดมันก็ไปสู่ทุกขติเท่านั้นเนี่ยนี่เป็นปฏิหารก่อนตายเราจะรอรุ้นตอนนั้นไหมย <laughs> อย่าไปรอรุ้นตอนนั้นนะ ตอนนี้เรามีโอกาสนะถ้าเราเรากลัวตายเมื่อไหร่เราก็ตายทุกทีน ะ, ะไม่เป็นไรหรอกนะความตายเาไว้ก่อนแต่เราจะทำตรงนี้ก่อนปัจจุบันเราควรทำอะไรเนี่ยเราควรจะใช้เวลาที่ยังเหลืออยู่ข้างหน้าเนี่ยให้มีสาระสักหน่อยงานก็ทำไปเถอะเราจะทำหน้าที่เราก็ทำไปเถอะแต่เราเพิ่มมาอีากอย่างหนึ่งเพิ่มการจิตสติไปอีกอย่าง เติมความรู้ตัวเข้าไปอย่างนึงความรู้ตัวก็เริ่มจากปัจจุบันให้เริ่มจากปัจจุบันทุกอย่างที่เราทำอะไรเนี่ยมันต้องเริ่มจากปัจจุบันทางนั้นใช่ไหมมันจึงจะเป็นผลถึงอนาคตเริ่มจากปัจจุบันเราจะทำอะไรปัจจุบันละ่ะให้เรารู้ตัวอยู่ตรงนั้นก่อนอย่าเพิ่งข้ามไปดูในอนาคตในเพราะการเจริญสติ ให้เริ่มรู้อยู่กับปัจจุบันนี้แหละรู้ก่อนว่ากาลังทำอะไรซึ่งมันทุกคนมันมีอยู่แล้วสติเนี่ยเพียงแต่ว่าเราไม่เคยใส่ใจตัวนี้นี่บอกเพราะฝึกสติในปัจจุบันบางคนก็งงมันจะมันจะทำไม่ได้ไม่เปไ็นไรหรอกเอาความตั้งใจง่ายไหมตั้งใจง่ายกว่าคำว่ามีสติมันก็ตัวเดียวกันก็ตั้งใจถ้าไม่มีสติมันใจมันตั้งไม่ได้ แล้วก็ตั้งใจทำสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยการตั้งใจเนี่ยมันถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็ น, เ, เ, เ, ปนเป็นบาสแห่งการประสบผลสาเร็จตั้งใจทำนะจะทำงานแล้วก็ตั้งใจทำอยู่แดนงานของเราให้ใจอยู่ตรงนี้มื อ, อตรงนี้ตัวตรงนี้ใจอยู่ตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งมองถึงผลอย่าเพิ่งไปคิดวิ่ตกะวแรงต่างเริ่มตั้งใจตรงนี้ก่อนก็ได้สติเรียบร้อยแนละ้ว ปัจจุบันกับสติเป็นสิ่งเดียวกันสติจะเกิดขึ้นเฉพาะปัจจุบันเท่านั้นเราไม่อยากมีสติเรามีปัจจุบันสิมันก็คือสตินั่นแหละแต่เราเพียงแต่ตั้งใจเติมความตั้งใจเข้าไปหน่อยบางคนบอกตั้งใจแล้วเครียดแล้วเราทําอะไรไม่ตั้งใจมั้งล่ะมันต้องตั้งใจตามถ้ากลัวเครียดไม่ตั้งใจมันก็เริ่มต้นผิดแล้วทุกอย่างต้องตั้งใจเริ่มเดี๋ยวเดียว ตั้งใจทำและคอยสังเกตนะสังเกตในความตั้งใจ ใ, ในงานเนี่ยมันจะมีความคิดต่างๆมากมายตรงนี้ะมันเป็นบทเรียนที่เราต้องเก็บเกี่ยวแล้วก็ใส่คะแนนจิตตัวเองคะแนนสติมันไม่ได้อยู่กับการทำงานอย่างเดียวหรอกมันจะมีความคิดสลรพัดนั่นแหล ะ, ละเราสามารถที่จะรับรู้เอาไว้คนที่ไม่เคยดูจิตเนี่ย เนี่ยก็ลองสังเกตดูจิตที่มันรุนแรงห่อยดิคนทุกคนเนี่ยมีจุดอ่อนกับความโกรธใช่ไหมความโกรธอารมณ์ที่รุนแรงมากมันชัดเจนมันเผาผานจิตใจให้เหน็ดเหนื่อยกวนกระวายทําให้ใจเราไม่ปกติทําให้ร้อนสังเกต ด, ดูสักหน่อยเนี่เวลามันเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาไม่พอใจขึ้นมาดูที่จิตเรามันเห็นได้ชัดเจนคาว่าดูเนี่ย มันก็อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าก้มลงไปมองเนหรือเพ่งมันไม่ใช่รู้ทัน <c oughs> รู้ทันในความโกรธสักนิดหนึ่งก็พอโกรธปั๊บไม่พอใจปั๊บรู้ทันก็ได้คะแนนสติไปแล้วหนึ่งคะแนนใส่กระเป๋าบุญเอาไว้ก่อนสะสมไปแล้วหนึ่งนะพอรู้ทันแล้วก็ทํางานเราต่อเพราะอันนั้นไม่ใช่แดนงานเรามันเป็นส่วนเกินของงานความโกรธไม่ใช่งาน นะแต่เรารู้ทันนะคืองานทางจิตเป็นการภาวนาดูจิตเรียบร้อยแล้วให้รู้ทันความโกรธซึ่งเป็นลมที่รุนแรงมากใครก็โกรธได้แต่ใครก็รู้ทันนี่ไม่ค่อยมีย่ยใครโกรธได้แต่ผู้ที่ภาวนาจะรู้ทันคนเจริญสติจะรู้ทันความโกรธและเก็บขะแนนไว้ปล่อยอย่าได้แก้ไขยอย่าได้ไปยุ่งถ้าเรา ไปหมกมุ่นกับมันเราจะเป็นทุกข์นะหรืออย่างหนึ่งความอยากได้ไหนใครไม่เคยอยากได้อะไรความอยากได้นี่มันรุนแรงมากก็ลองดูสักหน่อยโอ้นี่ความอยากเป็นอย่างงี้รู้ทันนะโดยการดูด้วยการรู้ทันรู้ทันความอยากได้เก็บคะแนนไว้ก่อนหนึ่งละนะง่ายๆจากอารมณ์ที่มันอยากก่อน ทำจากง่ายไปหาง่ายอย่างนี้นะ่ะไม่มียากในเรื่องของง่ายนะทาจากง่ายไปหาง่ายคือรู้ทันในความโกรธรู้ทันความอยากเนี่ยแล้วก็ลองปล่อยมันผ่านไปก็เริ่มเนี่ยเริ่มจากตรงเนี้ยแล้วก็ต่อไปเนี่ยอารมณ์หยาบเนี่ยมันเห็นแล้วต่อไปอารมณ์ละเอียดไอ้ความขุ่นเคืองใจความยินดีพอใจแล้วก็ปลกที่จะรู้ทันมันซะบ้าง ให้รู้ตันลยมันจะเกิดผลอะไรหรือไม่เกิดไม่เป็นไรเราทําหน้าที่รู้ทันในความคิดปะกินอากาศคิดต่างๆเนี่ยก็ฝึกเตี้ยรู้ทันมาคนเราเป็นทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะไม่เห็นความคิดพอไม่เห็นความคิดจิตมันก็หลงเข้าอยู่ในความคิดเลยก็วนเวียนอยู่ในความคิดอย่างนั้นก็เหน็ดเหนื่อยงานการก็ทําโดยอัตโนมัติ แต่ใจก็คิดคิดคิดไม่อยู่กับแดงงานเลยแต่เข้าอยู่กับอารมณ์อยู่กับความคิดทั้งหมดเลยแต่ถ้ารู้ทันความคิดไอการรู้ทันแนวเท่ากับมีสติมันตัดกระแสความคิดตงนั้นตัดกระแสความคิดด้วยการมารู้ทันความคิดมันก็ขาดไปนะมันขาดไปแล้วเราก็ที่นี่มันก็มีจิตอันใหม่ที่เป็นบริสุทธิ์กว่าจิตที่มันคิด หรือจิตที่มันรู้นะมันมีรู้ใหม่ใหม่รู้นะจิตมันเกิดขึ้นใหม่อยู่เรื่อยจิตมันไม่ตั้มแล้วพารู้ทันแล้วมันก็จบจบไปทั้งอารมณ์ก็จบสติที่มันรู้ทันก็จบมันเกิดเป็นจิตดวงใหม่ซึ่งมันมีพลังมากเลยก็รู้ใหม่มันหลงไปนานก็ไม่เป็นไรก็เริ่มต้นรู้ใหม่การเริ่มต้นทุกครั้งนะเป็นการมีสติตั้งันอย่าเพื่อเป็นการเริ่มต้นเดยเป็นการที่ ไม่พัฒนานั่นหะเราพัฒนาละเริ่มต้นน่ะเป็นการพัฒนาในการปฏิบัตินะเริ่มต้นใหม่ตัวกลางทิ้งไปเลยเริ่มต้นใหม่เพราะจิตมันก็มีใหม่ตลอเวลาฝึกรู้ทำจิตตัวเองเวลามันเกิดอารมณ์รุนแรงเช่นความโกรธเช่นความอยากความหลงรู้ไม่ทันไม่เป็นไรแต่เราก็คอยรู้ใหม่อย่าลืมรู้ให้จบลงที่รู้ จบลงที่รู้ก็แค่นั้นไม่ต้องไปแก้ไขอะไรจิตใจเรื่องของจิตไม่ต้องแก้ไขเรื่องของจิตมันก็พาอากิเลสมาทำไมไม่ต้องแก้ไขรับรู้แล้วปล่อยมันผ่านไปมันเป็นส่วนเกินของจิตใจก็ปล่อยมันผ่านไปความบริสุทธิ์ของจิตก็จะปรากฏเป็นขนาดขนาดนสตินี่มันสามารถเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจากฟุ้งเป็นเป็นรู้ได้เปลี่ยนหลงเป็นรู้ได้ทันทีเล ต้องฝึกเอาไว้ในชีวิตปัจจุบันในการทำงานในการใช้ชีวิตนแหละฝึกให้รู้ซะบ้างถ้ารู้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็ทิ้งไปแล้วก็เริ่มต้นรู้ใหม่นี่ไม่ได้พูดถึงสถานที่นะที่ไหนก็ได้ที่ไหนมีรู้ที่ไ่นมีการปฏิบัติที่ไหนก็ได้ทุกสถานที่เพราะนั้นทำได้ทุกที่เลยเป็นเขาเรียกเป็นสากลมาก ไม่ต อ, อานนั้ตื่นศาสนาพุทธศาสนาก็ทําได้ทั้งนั้นเพราะตัวนี้มีในคนทุกคนอยู่แล้วในจิตที่รับรู้รับทราบพวกนี้แหละเนี่ยมันมีประโยชน์ตัวนี้แหละแต่ที่มีปัญหามากๆนะคนที่ฝึกในชีวิตปัจจุบันในชีวิตประจําวันไม่ได้เนี่ยปัญหาที่ยินบ่อยก็คือสติไม่ค่อยเกิดใช่ไหมสติไม่ค่อยเกิดความคิดเกิดเยอะแล้วนะจิต มันมักจะหลงไปกับอารมณ์หลงไปกับอารมณ์นานๆอารมณ์ที่รักก็รั ก, กหมดเนื้อหมดตัวไปอารมณ์ที่โกรธก็โกรธหมดเนื้อหมดตัวไปนั่จิตเรามันอ่อนแอไม่มีกําลังจิตอ่อนแอเพราะอ่อนซ้อมมันต้องมีการซ้อมซ้อมจิตไม่ทําอะไระคือให้จิตเนี่ยมันมีกําลังสักหน่อยมันยังต้องมีรูปแบบการปฏิบัติบ้างค่ะ ต้องมีรูปแบบในการปฏิบัติเนี่ยมันตึงจะช่วยเป็นอาหารเสริมให้การใช้กับชีวิตปัจจุบันเนี่ยเนี่ยคล่องตัวขึ้นจิตมันอ่อนแอจิตไม่มีกำลังถูกอารมณ์ลักพาไปได้ง่ายใช่ไคนอ่อนแอเนี่ยไปชักเยอะสู้ใครก็ไม่ได้หรอกต้องฝึกเอาไวา้การฝึกในรูปแบบเนี่ยทุกคนก็มีอยู่แล้วรูปแบบของตัวเองลมหายใจ นะการบริกรรมพองยุกก็ทำไปเถอะเป็นรูปแบบรูปแบบแต่รูปแบบเนี่ยเริ่มต้นในการฝึกสติทั้งนั้นอาจจะฝึกสติด้วยการมีการบริกรรมหรือรู้ลมหายใจหรือยกมือเคลื่อนไหวตามแนหวหลวงเทียนอันนี้เป็นการฝึกให้มีจิตมีกำลังทานั้นแต่สำคัญคือในรูปแบบเนี่ยขอเน้นให้อย่าเพิ่งไปสนใจกับเรื่องของจิต อย่าไปสนใจความคิดอย่าไปสนใจเอาทีละเรื่องเรามีจุดอ่อนที่ความคิดทําให้จิตหมดกําลังถูกอารมณ์มันลากไปจะไม่สนใจกับมันสนใจเรื่องรู้เรื่องกายก่อนกายมันมันมีจุดที่มันยากกว่าเนี่ยรู้เรื่องกายเขาเรียกกายญาณุ ป, ปัสสนสติปัฏฐานเคยได้ยินไหมเออเนี่ยคือการมีสติแลระลึกลูบไปที่กายซึ่งมันเอาตัวนีลวน้ล้วนๆก่อนรู้กายล้วนๆอย่าเพไปยู้จี้ความคิด อย่าไปห้ามความคิดอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะดูที่กายล้วนๆเราเดี๋ยวเรื่องของความคิดเนี่ยมันเห็นเองเพราะมันสิ่งแปลกปลอมเห็นได้ชัดมากแต่ขอให้รู้ล้วนๆที่กายที่กายเคลื่อนไหวเอาตรงนี้ก่อนแต่ไม่ห้ามความคิดปล่อยมันคิดแต่ไม่ใช่เรื่องของเราที่จะไปรู้คิดมารู้กายให้จิตมันมีกาลังซะก่อนมันจึงจะไปเห็นสิ่งที่ละเอียดได้ กำลังของจิตมันจะมากแต่เมื่อเราดูกายรู้กา ย, ยรู้สึกไปกับกายเอาตัวนี้ก่อนกายานุวัตนาทำให้มันชำนานทำให้มันเข้มแข็งซะหน่อยทำฐานจิตโดยการรู้กายให้มันแน่นแล้วก่อนเรื่องของจิตเนี่ยเรื่องของความคิดเนี่ยมันจะเข้าแถวมาให้เราดูเองเรู้กายเดี๋ยวมันก็ต้องเห็นจิตอยู่เดีย เพราะเป็นสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่เราเอาไว้ก่อนเอาไว้จิตเอาไว้ก่อนคิดเอาไว้ก่อนมารู้กายอันไหนลองดิลองมารู้กายก่อนดิปฏิบัติแล้วจึงจะพบปาฏิหาริย์เราต้องมาลองปฏิบัติก่อนหนะน้าที่จะเจอปาฏิหาริย์นั่งสบายๆนะไม่ต้องหลับตาก็ได้ทอดสายตาลงต่ำนิดนึงไม่ต้องก้มหน้า ไหนใครไม่มีมือบ้างไหนใครมีมือยกมือขึ้นักมือนะไหนใครไม่มีนิ้วไหนใครมีนิ้วแล้วนิ้วกระดิกไม่ได้บ้างกระดิกไม่ได้เอามือข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยที่เราถนัดเนี่ยเอาไว้ข้างหลังนะแล้วลองมารู้กายแบบแบบปฏิหารนี่ลอง <laughs> ไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้บำวิธิกรรม ไม่ต้องทำอะไรทอะไรที่มันแปลกๆ แ, แค่รับรู้เวลามือมันกำแล้วก็มือมันแบรับรู้สองอย่างพอกำก็รู้รู้สึกนะไม่ใช่ว่ารู้ว่ากำเรู้สึกมันมีการเคลื่อนไหวพอแบก็รู้สึกนะลองทำสักพักนะึงนะพอกำก็รู้แบก็รู้ต้องหลับตานะท่อสายตาลงตํานิดนึง ตั้งใจนะรู้อย่าไปเพ่งมันรู้แบบเล่ น, นเวลามันกรรมก็รู้รู้ทีละหนึ่งเรบรรทแบบก็รู้เนี่ยเก็บเกี่ยวความรู้สึกตัวนี้ไปเรื่อยๆทําทสักพักหนึ่งลองทําดูซิอย่าไปห้ามความคิดนะอย่าไปสนใจความคิดเรามารู้กายเคลื่อนไหวล้วน เวลากรรมก็รู้ว่ามีอะไรมันขึ้นนไว้เวลาแบกก็รู้ว่ามีอะไรขึ้นนไว้นี่คือการรู้กายที่มันเคลื่อนไหวอย่าไปเพ่งมันทำแบบสบายๆเล่นๆแบบผ่อนคลายรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่ลไรหรอกแล้วก็รู้ไปเรื่อยๆเนี้ยยังรู้อยู่นะระวังใจมาเลื่อนลอยไปก็กลับมารู้ใหม่ เอาจิตตั้งไว้ที่รู้ที่มันเคลื่อนไหวเวลากรรมเวลาแบเมื่อมันหลงลืมหรือ ม, มันเผลอไปก็รู้ใหม่ก็เริ่มต้นรู้ใหม่ให้รู้ทีละขณะกรรมก็รู้ทีละหนึ่งแบก็รู้เอาทีละหนึ่งพอ ทุกครั้งให้จบลงที่รู้รู้สึกที่มันกำลังไหวไหวให้รู้เป็นขณะเนี่ยเป็นขณะ อ่ามันเป็นปฏิหารนะเนี่ยคนต้องเกือบร้อยเหมือนคนคนเดียวกันแค่ทุกคนนี่มารู้สึกต่างฝ่ายต่างรู้สึกกับตัวเราเนี่ยมันเหมือนคนคนเดียวกันเป็นยอดของความสามาคัคคีอ่าละว่าง่ายตัวเลยนะ ให้ทำแล้วก็ทำตาไม่ดื้อด้วยเห็นไหมมันย่ยยตรงนี้มันเป็นปฏิหารนะเพราะเรามีใจตรงกันร้อยคนกลายเป็นหนึ่งเดียวต่างฝ่ายต่างรู้แล้วลองขาดสติดิถ้าขาดสติต่างฝ่ายต่างคิดแบ่งพักแบ่งพวกแยกกันแบ่งสีแล้วก็ตีกันก็เบียดเบียนกันไม่ใช่สามาัคคีใช่หม นี่าการจิสติเนี่ยมันย่อยในความสามัคคีชุมนุมเลยเนี่ยตรงนี้แหละถ้าเราจิสติทำอย่างนี้นะทำต่อไปเรื่อยๆสักพักเนี่ยจะรู้ว่าจิตเราเนี่จะเบาสบายจิตที่มันเบาสบายเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับความคิดเนี่ยจิตมันจะเบามันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแล้วไม่นจะเป็นสุขภาพจิตที่ดีด้วยบางคนถึงกับว่าต้องเอาเท้าเหยียบกับพื้นไว้ ปรเดี๋ยวตวัวมันจะลอยก็มีนะเนี่ยบางคนมั น, นเกิดอาการแบบนั้นบางคนเกิดปิติมีสภาวะมากมาย ก, กับการที่รู้สึกล้วนๆรู้สึกล้วนๆไปกับการเคลื่อนไหวล้วนๆรู้ไปนานๆเนี่ยเรื่องของความคิดเรื่องของจิตไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวเราจะเห็นเราจะเห็นจิตที่มันบริสุทธิ์จิตที่มันรู้สึกอย่างเดียว รู้สึกอย่างเดียวเข้าถึงความรู้สึกอย่างเดียวถ้ามีความคิดเข้ามาแปลกความนิดเดียวเราก็เห็นมันชัดเจนสิ่งที่เข้ามานิดเดียวก็เห็นชัดเจนบางคนที่ใส่เสื้อขาวมีจุดดาแค่จุดเดียวเราก็ไม่ได้มองเสื้อขาวเรามองที่จุดดําโอ้มันมีจุดดําชัดเจนมันจิตที่รู้ใช่ใจรู้ใจบริสุทธิ์สบายๆเนะี่ยเวลามีอะไรแปลกความในความคิดในความสงสัย มันก็จะเห็นชัดไปเองมันไม่ต้องไปหาดูอ้จิตที่คิดหาดูนะจิตมันคิดไปแล้วจิตมันปรุงมาเรียบ้วแล้วมันต้องหาดูให้มันผ่านมาให้เราดูมันไม่ต้องไปหาดูแล้วมันก็จะผ่านมาให้เราดูเราก็จะเห็นคาว่าดูการรับรู้เห็นแล้วเราก็จะเห็นเมื่อเราเห็นปั๊บเราก็ไม่ได้เป็ น, ปนกับสิ่งนั้นเนี่ยเป็นการแค่การเคลื่อนไหวง่าย คนมีมือแล้วนิ้วกระดิกได้ก็ทำได้ผมก็เคยนั่งทเาเคาะเล่นรู้เล่นเล่นสบายๆรู้บางไม่รู้บางแต่มันก็รู้มากว่านะทาให้ใจเราสบายผ่อนคลายไปตลอดเวลาข้างนอกเราก็รู้แต่เราไม่ได้ใส่ใจเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องดับทุกข์ของเราเลยอะไรบางอย่างที่ไม่เกี่ยวเรื่องดับทุกข์เราเนี่ก็ห่างๆซะบ้าก ถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็ต้องแบกภาระไว้มากมายถ้าจะเป็นต้องเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องอะไรไม่จำเป็นก็ปล่อยมันผ่านไปซบ้างอย่าไปสะดุดชีวิตต้องไม่สะดุด <c oughs> อ่ไหนสอบอารมณ์หน่อยดิต่ไปเป็นการรายการสอบอารมณ์ไหนใครไม่มีความคิดเลยบ้างเมื่อกี้ยกมือไม่มีความคิดเลยนะ ยกหรือเกา่าะนี่แต่ความรู้สึกไม่มีความคิดอะไรเข้ามาไม่มีนะอไหนใครเห็นความคิดบ้างอ่ะ เ, เห็นความคิดความคิดนะไหนใคร จิตเลื่อนลอยไม่รู้อะไรเลยยกมือไหนใครหลับไหนใครไม่ยกมือบ้าคนที่ไม่มีความคิดเลยเนี่ยในหวลาที่เรามีสติรู้กายเนี่ย คนที่ไม่มีความคิดเลยนะอันเนี้ยเกิดจากจิตเนี่ยเพ่งแล้วก็ระวังระวังจนเกินไปความรู้สึกมันบล็อกจิตไม่ให้คิดระวังจนเกินไปคนเนี้ยจะเนี้จะมีความสุขในช่วงระยะหนึ่งแล้วทำไปนานๆก็จะเครียดเพราะเป็นการบังคับจิตไม่คิดซึ่งจิตบังคับไม่ได้ นะบังคับเราต้องปล่อยเขาอิสระแต่เราไม่สนใจที่มันคิดเราไม่สนใจกับมารู้สึกคนที่จเจริญสติแล้วจิตไม่คิดเลยเนี่ยผิดปกตินะเป็นการบังคับให้รู้จักสิ่งที่ผิดก่อนให้เราจะรู้จักถูกนั้นอย่าอย่าบังคับจิตให้เรามารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของกายอย่างทําแค่หนึ่งเดียว เขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของจิตแต่ตอนนี้เราอาศัยศรัทธาอาศัยความเพียรมารู้สึกรู้สึกเนี่ยเป็นการสอนจิตให้รู้มากกว่าให้คิดแต่เราไปกดทับความคิดมันก็จะเครียดอันนี้ได้ความสงบก็ไปเกิดในเป็นพรหมไนดะ้ผมลูกฟักไม่มีตาไม่มีหูไม่รู้อะไรส่วนคนที่เห็นจิตคิดอันนี้ก็เรียกว่า ได้ต้นทางของพานิพานนะเขาเรียกว่ามีดวงตาเห็นทางมีโอกาสที่มีจะมีดวงตาเห็นธรรมได้นะได้ต้นทางงพนิพานคือเห็นคิดเพราะความคิดเป็นสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตไม่ให้มันเป็นปกติเป็นแขกที่จอนผ่านมาแต่ถ้าสิ่งนั้นมีความคิด ผู้ที่เห็นความคิดปั๊บจิตมันก็ไม่ได้คิดมีแต่ความคิดที่มันคิดแล้วมันก็หยุดหายไปตัดกระแสดได้จิตก็จะมีความบริสุทธิ์ไม่ปรุงแต่งอะไรเป็นจิตเดิมแท้ๆก็เป็นต้นทางของพระนิพพานนะแต่ยังไม่ถึงนิพพานแค่ต้นทางมีดวงตาเห็นทางและมีโอกาสที่จะมีดวงตาเห็นธรรมได้ ส่วนคนที่ไม่รู้เลยเลยจิตใจเลื่อนลอยลอยคิดตะพื้นตพืไปอันนี้เป็นสัมพเวสีกำลังรอการเกิดอยู่ว่าจะเกิดพบไหนดีอันนี้ก็เ ร, เรียกว่ามีดวงตาหลงทางไม่ใช่ดวงตาเห็นธรรมแล้วคนที่หลับไหลไม่รู้เรื่องเลย อันนี้ก็แสดงความยินดีด้วยถ้ากําลังเกิดเป็นข้างขาวเรียบร้อยแล้วแล้วตาอยจาข้างขาวจะไปเกิดในสวรรค์เพราะว่าอานสงส์จากการฟังธรรมในวันนี้เอานี่ในสมัยพุทธกาลเขาว่าอย่างนั้นนะเนี่ยมีพระไปปักกรดทุนโดงในถ้ำสวดสาทยายมนข้างขาวมันห้อยหัวเกาะ ฟังทำเพลิดเพลินหลับหัวตกลงมาคอหักตายก็ไปเกิดในสวรรค์อริสงในการฟังพระกุณเจ้าสาธยายทำนะแสดงความดีด้วยนะคนที่หลับถ้ามีโอกาสขึ้นสวรรค์ได้แต่ขอให้ผ่านพพข้างขค้าวไปก่อนถ้าไม่ถูกอินตีจิตตายก็อาจจะไปตายอย่างอื่นก็ได้ส่วนคนที่ไม่ยกมือเลยเนี่ยผมคงจะมา ทำรรมาี่ขายประกันชีวิตด้วยธรรมะไม่ได้แล้วเพราะท่านไม่รับเป็นสบายิตของเราอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการสอบอารมณ์ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยไม่ใช่เรียกมาคุยแล้วก็เอากันที่เคลียดอย่างนี้ไม่ถูกไม่ใช่หรอกนะการสอบรวมคือการรู้ว่าเขาปฏิบัติถูกไหมอันนั้นคืออาการที่มันเกิดขึ้นเราแค่รู้สึกก็พอแล้วจบแล้วความรู้สึก เดี๋วเพิ่งไปชัดเจนอย่างนั้นมันจะเป็นการเพ่งมันจะเข้าไปอยู่จะลึกเกินไปแค่รู้สึกกระจกรู้สึกกระจกซาตรนนี้ก่อนจนกว่าจิตมันจะพัฒนาตัวมันและมันก็จะละเอียดในการเห็นสิ่งเหล่านั้นไปเองเรามีสติแตส่สมาธิมันก็มากสติจะน้อยสมา ธ, มมามาธมิจะเยอะจะไปจับแล้วจิตเราจะเข้าไปในอารมณ์มากขึ้นไปการจรรติเนี่ยอารมณ์ที่มา ให้รู้เนี่ยไม่สําคัญเท่ากับจิตที่เข้าไปรู้นะเริ่มจากรู้เบาๆคลายๆก่อนแล้วต่อไปมันก็จะรู้บ่อยๆก็จะละเอียดละเอียดเก็บความละเอียดไปเองนะถือว่าเราเข้าลึกไปหน่อยแค่รู้ก็จบลงที่รู้แล้วก็รู้ใหม่ทัลเอียดปั๊บเนี่ยห น, หนักเข้ามันจะการปรุงแต่งมันจะแยกแยะมันจะใส่ชื่อมากมาแล้วมันก็จะไม่ใช่เป็นการจรรติ เป็นความคิดแค่รู้สึกแค่รู้พอนะมันง่ายง่ายแล้วต่อไปเนี่ยต่อไปมันก็จะง่ายเหจะมาจากง่ายไปหาง่ายมันง่ายต่อไปก็จะง่ายจิตที่ง่ายที่จะรู้มันง่ายมันเองแล้วจิตก็จะทำหน้าที่มันเองเราไม่สามารถจะไปมาค่าให้จิตรู้ข้อนี้ไม่ได้มันเป็นตัวตนที่บังคับจิตมันจะรู้เองรู้เองมันจะรู้เองแล้วมันก็จะพัฒนาตัวเองมันจะรู้หลายๆอย่าง มันจะรู้ถึงส่วนละเอียดของจิตคือความคิดนั่นเองเราต้องการฝึกให้จิตมันมีกำลังมันจะได้ไปเห็นใ้ความคิดเห็นกิเลสในตัวเราแค่รู้บาแล้วทิ้งไปก็รู้ใหม่ทิ้งไปรู้ใหม่อย่าเก็บรายละเอียดถ้าเก็บรายละเอียดเราจะหาเหตุหาผลนี่มันก็จะปรุงแต่งเป็นคุ้งเป็นแควเนี่ยฝึกเอาไว้ฝึกเอาไว้ในรูปแบบอะไรก็ได้ที่เราชอบ ให้รู้สึกตัวบ่อยๆรู้ป บ, บ่อยรู้ไปเถอะรู้แล้วก็ทิ้งรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ทิ้งไปบ่อยด้วยจิตมันจะมีกำลังตอนนี้มันก็จะไปเห็นความคิดจะไปใช้กับชีวิตประจาวันได้นะเข้าถึงความรู้สึกแท้ๆก่อนแล้วทุกอย่างมันจะมีคำตอบมันจะเปิดเผยออกมาเป็นคำตอบคำาเฉลยทั้งหมดเลยอันเนี้ยสำคัญนะเนี่ยตรงที่เราฝึกในรูปแบบบ้างเนี่ย เราจะได้มีความชำ น, นิชำนาญเนี่ยการมันเป็นปาฏิหารนะหรือสิ่งเหล่าเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนหลงเป็นรู้ได้เปลี่ยนหลงเป็นรู้ได้ปาฏิหารคืออะไรปาฏิหารก็คือการกระทาที่ทาให้บังเกิดผลเป็นอัศจรรย์ต้องมีการกระทาจึงจะบังเกิดผลเป็นอัศจรรย์ ถ้าไม่มีการกระทำเนี่ยมันเกิดผลไม่ได้มันเป็นแค่ความคิดต้องมีการกระทำมันทึงจะมันเกิดผลเป็นอัจจันต์นี่คือปาฏิหาริย์ผู้เจ้าแบ่งออกเป็นสามอย่างปาฏิหาริย์เนี่ยอย่างที่หนึ่งก็คืออิทธิปาฏิหาริย์คือการแสดงฤทธ์แสดงฤทธ์ได้เป็นอัจจรน์เหาะเหินเดินอากาศ มุดน้ำดำ ด, ดินหูทิพตาติดนี่เราแสดงฤทธิ์เป็นอัตจันทร์พร ม, มคัลลาสมัยก่อนนะท่านก็เหาะเหลือหล่อากาศได้อย่างที่สอก็คืออาเทศนาปาติหานคือการทายจิตทายใจได้เป็นอัตจันทร์เดี๋ยวนี้ก็มีทายจิตทายใจว่าไหนกันหลงไปแล้วนะคนนี้กําลังคิดอะไรคนนี้รู้ตัวหรือหลงลืมตัว เรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์ว่าอาเทศนาปาฏิหารเป็นอัศจรรย์อันที่สามก็คืออนุสาสนีปาฏิหารคือคําสอนที่เกิดผลได้จริงเนี่ยเป็นอัศจรรย์ปาฏิหารทั้งสอย่างนี่นะพุทธองค์ก็ยกย่องให้กับอนุสาสนีปาฏิหารอันที่สามเนี่ยประเตติตร สามารถเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจากโจรร้ายกลายเป็นอารานเพราะองค์กลีมาณเเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยส่วนพระเทวทัตนีไม่มีอุปนิสัยเทศปวดเท่าไหร่ก็ตกนรกเท่านั้นเพราะไม่มีอุปนิสัยพระเจ้าไม่สามารถจะแสดงธรรมโปรดคนที่ไม่มีวิสัยให้บรรลุมงคลนิพพานได้ทำทำไม่ได้พระตกนรก โจรไปเป็นพระอาหารหันต่างนันนะเพราะว่าคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคําสอนที่ปฏิบัติแล้วได้ผลจริงสามารถเปลี่ยนจิตปิจัยคนจากโจรร้ายแก่เป็นอาหารหันต์ไดเ้เนี่ยเขาเรียกเป็นปฏิหารที่พระุธองค์ละเสริมมากซึ่งทีงเดียวเนี่ยคนสมัยนี้ก็ทําได้หลายคนที่มาเจริญสติมาปฏิบัติธรำเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนไปก็มีนะจากทุกข์เป็นไม่ทุกข์ได้ เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจิตตื่นก็หลายคนมีชีวิตที่ดีขึ้นก็หลายคนเพราะการปฏิบัติธรรมนี่ยเป็นการปฏิบัติที่มีผลได้จริงนี่อย่างคุณบิลาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเกิดมาตายแค่ครั้งเดียวแต่คิดอยากตายทุกวันนะเอาการปฏิบัติธรรมไปใช้ทุกวันนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยตายก็ตายก็ตายไม่ตายก็ปฏิบัติต่อไปก็เป็นคนที่มีความสดใสสดชื่น ก็จะมีหลายคนที่ได้เจอได้เจอปฏิบัติแล้วได้ผลจริงไม่เคยมาปฏิบัติแล้วแย่ลงไม่เคยมีแตได้ผลจริงอาจจะได้ไปช้าๆได้ไปช้าก็มีใช่ไหมผมเองก็ชีวิตเปลี่ยนก็เพราะการมาเจริญสตินี่แหละชีวิตเปลี่ยนเพราะผมได้มาเจริญสติแต่ก่อนก็มีความทุกข์ซ้ำซากซ้ำซ้อนทุกแบบแสนสาหัสน บริษัทประกันไหนก็ไม่รับประกันชีวิตไหนก็ไม่ยอมรับเพราะมันทุกข์มากเหลือเกินรับไม่ไหวนไปหาหมอหมอก็บอกว่าโอ้อยางงี้รักษาไม่ได้หรอกหมอนวดก็ไม่ก้านวดเพราะกลัวกระดูกหกักเนี่ยมันมันแสนสหาหกขนาดไหนบางคนลองนวดแล้วหักเลยพอดึงนิ้วโป้งหน่อยกระดูกหกักต้องไฟเฟือกเลยเนี่ยมันทุกข์มากแต่พอมาเจอสติเนี่ยสิ่งนั้นมันก็หายไป มันเปลี่ยนชีวิตใหม่มีมุมมองชีวิตที่ดีขึ้นมุมมองชีวิตมองโลกมองอื่นได้ดีขึ้นแต่ก็เรามองแต่สิ่งที่เลวร้ายน้่มันไม่ดีนะมันลำบากตรงนี้มันมองข้ามจากว่ามันลำบากเนี่ยกลายเป็นจะพัฒนามันอย่างไรบ้างให้เกิดประโยชน์มันเปลี่ยนมุมมองชีวิตเลยมันมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตเนเนี่ยความลำบากต่างๆอุปสรรคไม่มี มีแต่สิ่งที่เราจะต้องผ่านเทนั้นเนี่ยการจิสติเนี่ยสามารถเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกอย่างยอดเยี่ยมเป็นอัศจรรย์จริงๆเนี่ยเป็นคำสอนที่ได้ผลจริงเป็นอัลศาสนีปปาฏิหารคำสอนที่เกิดผลจริงเนี่ยก็เลยใช้ชีวิตเหลือนยก็มาทำหน้าที่เนี่ยทำหน้าที่กับทุกคนที่เนี่ ย, ยก็เป็นตัวแทนของ บุทบริษัทไม่จำกัดศาสนาไหนก็ได้มาปฏิบัติเถอะมันจะเกิดผลทั้งนั้นก็ทำด้วยศ ร, รธธัทธาทําว่ามันมีคุณค่าสิ่งวันนี้มันก็มีพลังไม่มีอุปสรรคเลยการทำอะไรก็ตามถ้า ม, มองตอุปสรรคเราจะทำอะไรไม่ได้เลยเรามองข้าวอุปสรรคไปบ้งนะบางทีได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างก็ไม่เป็นไรเราก็ได้ทำในที่เราอยากทำมัน มันก็ดีแล้วมีความสุขแล้วเมันก็เลยมองไม่เห็นอุปสรรคก็ข้ามไปแต่ที่จะมองว่าโอ้เราเหนื่อยแล้วเกินวันนี้กลับคิดไว้ว่าโอ้วันนี้เราทํางานได้เยอะลเลยก็เออมันไม่ใช่อุปสรรคนะถ้าเรามองมุมจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะนั้นคนที่มีปัญหาชีวิตหาทางออกไม่ได้ลองเจริญสตินะลองเจริญสติสติเกิดที่ไหนธรรมะเกิดที่นั่น ผู้ตรงตัดได้ว่าคนมีสติเท่ากับมีสิ่งนำโชคอยู่ตลอดเวลานะวันนี้ก็เลยมาทำหน้าที่เนี่ยหาเพื่อนมาทำประกันชีวิตด้วยธรรมะก็เห็นว่าสมควรแก่เวลานะเนี่ยก็ขออวยพรทุกคนเนี่ยมีสติมีปัญญาพาจิตพาใจให้พบกับปาฏิหาริย์คือความสิ้นทุกข์ก่อนสิ้นใจด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิะ วันนี้ท่านมีคำถามไหครับที่อยากถามอาจารย์ไหมครับเพื่อเปิดสอบถามนิดนึงมีไหมครับอาจารครับค่ะอยากถามอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเราเรารู้แล้วเราเราก็ละคือเราก็ปล่อยใช่ไหมคะทีนี้ว่าเราเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังเกิดขึ้นมาต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รับรู้อีกแล้ว เ, เราก็ต้องปล่อยไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะก็รู้บ่อย มันเกิ ก, ก็รู้อีกเกิดก็รู้อีก เ, ก, ก, เก็ปฏิบัติคือการรู้ขยันรู้เพาวนาการขยันรู้เรารู้แล้วก็จบตรงนั้นจบแล้วนะจิตใหม่มันเกิดมาอีกเราก็รู้จิตใหม่ใช่ไหมพอรู้แล้วมันก็ดับไปมันก็เกิดอีกจนกว่ามันจะหมดเชื้อพอรู้บ่อยๆเนี่ยจิตมันมีกําลังมันไม่ปล่อยให้อะไรมาปรุงแต่งได้ไม่ใช่บรรู้ครั้งเดียวเลิกไม่ใช่รู้บ่อยๆ พอนานการขยันรู้ขยันรู้รู้ถึงไหนนะรู้จนจนกว่ามันจะเกิดขึ้นเองต่อไปเวลาอารมณ์มันเกิดปั๊บจิตมันก็รู้เองมันเกิดปั๊บจิตก็รู้เองมันจัดการของมันเองเหมือนอย่างจิตเรามันเหมือนก็เหมือนแมวนะเราให้อาหารขยันรู้ไปเรื่อยๆเถอะความคิดก็เหมือนหนูนะให้รู้บ่อยๆเวต่อมากแมวมันก็มีกาลัง เ่ากับจิตมีกำลังมันก็จะจัดการกับความคิดแม่แมวจัด ก, การกับหนูไปเองนะลองฝึก บ, บ่อยๆนะสิ่ง น, นี้มันจะเคยกินแตกินต่อไปแล้วเมื่อทำอะไรมีลูกน้องไหมคนที่มีลูกน้องทํางานไม่มาก็ต้องสอนต้องสอนจ้า จ, จี้แล้วก็จ้าชัยให้มันจํำนะต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องไปสอนแล้วเขาทําของเขาเองจิตเราก็เหมือนกันบอกเขาหน่อยแนะนำเขานหน่อยฝึกเขาหน่อย แล้วต่อไปก็จะทํางานเพนภาวนาการขยันรู้นะทํำบ่อยๆอีกนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกบางครั้งเนี่ยมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยมีความสุขอยู่อย่าเงี้ยค่ะมันมันรู้สึกว่ามันขัดแย้งแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะจะนั่นยังไงก็ไม่ต้องทำไรเบื่อก็รู้มันก็รู้ซะนั่นแหละมันแค่อารมณ์มันไม่ใจิตจิตมันไม่เบื่อหรอกอารมณ์มันเบื่ออะหากิเลสมันเบื่อ ก็รู้แล้วต่อไปสิ่งนี้มันก็จะหายไปเพราะไม่มีอะไรมันเกิดขึ้นตลอเวลาแล้วมันก็ต้องดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เบืดด่อเลยทั้งวันเราเบื่อต่อเมื่อเราเผลอพอเราเผลอจิตที่มันเผลอลืมปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์อะไรเข้าแทรกมากมากเบื่อก็รู้ทันก็ปล่อยไปเบื่อก็รู้ทันแล้วก็ปล่อย เดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เบื่อเป็นช่วงหนึ่งขนาดคนนัปฏิบัตินะคนที่ปฏิบัติก็จะเบื่อมันจริงมันพระ ก, ก็อยากจะศึกก็มีนะบางคนอยากฆ่าตัวตายบางคนอยากร้องไห้ก็เป็นแค่อาการของจิตเท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องของจิต เ, เรื่องอาการของมันก็อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อเชื่อที่รู้มากกว่าครับเรียนสอบสามอาจารย์นะครับรว่าความรู้สึกตัวจาก กรรมมือแบมือกับความรู้สึกตัวจาก14จังหวะของพ่อเทียนเนี่ยให้ผลเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรถ้าให้ผลเหมือนกันทําไมถึงต้องเป็น14จังหวะใช้กรรมือแบมื อ, อเดียวได้ไหมครับตามหลักนั้นบอกว่าการเจารนติแปลญญาการเคลื่อนไหวการยกมือสิจังหวะก็คือการเคลื่อนไหวการกรรมมือแบมือก็คือเคลื่อนไหวรู้ ล, ลมหายใจเข้าออกก็คือเคลื่อนไหว ยุดหนอพอหนอก็คือเคลื่อนไหวที่สี่จังหวะเนี่ยมันได้ถึง14ลรู้พลิกมือรู้หนึ่งสองรู้สรู้สี่ห้าหรู้เจ็ดรู้แดรู้ลรู้สิบรู้สิบ็ดรู้สิองรู้3 14ลรู้เก็บคะแนน14คะแนน แต่กรรมมือรู้แบบมือรู้ได้ทีละสอคะแนนเห็นไหมเนี่ยนี่เราสอนให้คนเราจากสันโดษในธรรมเอาทีละน้อยแหา่มากๆนี่แค่ไตเติ้ลนี่ยเรก็ไปฝึกสติจังหวะเอาเนเพื่ออะไรเป็นอุบายอุบายให้เป็นการอุบายพัฒนาจิตที่รู้ขึ้นมาตอนนั้นเอง<ม>อุบายต่างๆคือสิ่งภายนอกคือเราคิดขึ้นมาทาขึ้นมา แต่ที่จริงคือต้องการพัฒนาอะไรพัฒนาจิตผู้รู้ต่างหากนักปฏิบัติอย่าไปให้ความสำคัญกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นให้ความานจิตที่เข้าไปรู้รู้ทันไหมถ้ารู้ทันปับ๊บเรามีการพัฒนารู้ให้ทันนั่นแหละคือพัฒนาแต่รู้อะไรอย่าได้ไปสนใจรู้แล้วกันเนี่ยพัฒนาจิตให้มันรู้เห็นไถ้าเราเดินจงกรมาเดินจงกรมทีละก้าก็รู้ทีละก้าก็รู้เดินทั้งวันได้ทั้งหลายรู้ เหมือนกันเป็นแค่อิริยาบถเป็นแค่วิธีการแต่ไม่ใช่ตัวปฏิบัติเป็นวิธีการให้เข้ามาถึงตัวปฏิบัติที่จิตใจที่แท้จริงเราต้องการพัฒนาตัวไหนตัวจิตใช่ไหมเนียก็เท่านั้นเองไอ้ข้อนว่เป็นแค่ส่วนประกอบอาจารย์ครับใหม่ๆเนี่ยมันก็ตั้งใจรู้ถูกไหมครับมันก็มันก็เผลอเพ่งเผลอตึงเครียดไปด้วยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมอาจารยไม่ไรหรอกใหม่ๆก็ต้องแน่นละใครจะรู้ว่า อันไหนไม่ได้หรอกมันต้องล่องผิดดูก่อนอ๋อผิดนี่มันมันตึงมันเครียดแล้วก็จะหย่อนเราต้องแก้จิตเราเองพรูบาอาจารบอกไม่ได้แล้วว่าอันนั้นมันตึงทำให้มันหย่อนหน่อยหย่อนของท่านกับหย่อนของหลอมมันไม่เหมือนกันอันนี้มันมันไม่กลางนะแล้วกลางเราไปจัดไม่ได้เราต้องรู้เองว่าอะไรมันตึงอ๋อนี่มันตึงไปอ๋อนี่มันหย่อนไปแล้วก็จะเห็นตัวกลาง สังเกตยังไงครับอาารก็ประสบการณ์จิตที่เป็นกลางเนี่ยคือจิตที่มันมันไม่เครียดมันผ่อนคลายทำแล้วสบายสบายทําแล้วสบายสบายทำแล้วเพลิดเพลินสนุกแปลการทำแต่มันมีรู้อยู่จิตที่มันไม่เครียดนั่นแหละคือการไม่ตึงจิตที่มันไม่หลงนั่นแหละคือจิตที่มันไม่หย่อนจิตที่รู้พัฒนามันต้องอาศัยประสบการณ์ถ้าไม่มีประสบการณ์เราจะเรียนรู้อะไรไม่ได้เลย เราเองต้องประสบการณ์ที่ผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างตึงบ้างหย่อนบ้างมันจะเริ่มรู้เองว่าเป็นยังไงประสบการณ์ที่เราทําการปฏิบัติการเสริมสร้างประสบการณ์กับตัวเองต้องฝึกที่จะรู้ทันอารมณ์ฝึกที่จะอดทนกับอารมณ์ฝึกทุกอย่างฝึกที่จะเอาชนะอารมณ์ฝึกบ่อยๆนี่แหละเวทีของการฝึกเนี่ยก็คือการใช้ชีวิตของเรานี่แหละและต่อไปถึงเวลาเนี่ยมันเป็นไปเองได้ ถ้มีประสบการณ์นะอย่าไปกลัวผิดต่อไปจะรู้ว่าอ่อนโยนผิดแล้วเดวจะเจอทางถูกเห็นไหมคนขับรถหลงทางเมื่อกี้ไปเจอทางใหมเห่เจอทางใหม่ที่ลัดตั้นกว่าเดิมก็มีสนุกกับการหลงทางนเราต้องหลงแล้วมันจะรู้ทีหลังนี่แหละประสบการณ์เนี่ยเพราะฉะนั้นพอเราผิดปับ๊บโอ้ไม่เอาละเราทําให้ถูกทีเลิกมันก็ไม่ได้อะไรการประสบการณ์เนี่ ไม่ใช่ว่าจะต้องทำได้เพียงเดียวประสบการณ์ที่ได้ได้ได้เกิดความรู้แท้จริงมันต้องผิดลงทุนแล้วต้องขาดทุนนะมันตึองจะรู้ว่ากาไรเป็นยังไง <c oughs> นะมันต้องมีประสบการณ์แบบนี้ซะก่อนจึงจะรู้อีกด้านหนึ่งบางคนถามว่าเ อ, เ, อเอ๊้ความสงบเป็นยังไงอาจารย์และความพุ่งร้านเป็นยังไงตรงข้ามากับความฟุง้งซานนะคือความสงบ เราก็บอกมาได้วความสงบมันเป็นยังไงแต่รู้จากความฟุ้งซ่านไม่รู้ไอ้ที่ตรงข้ามฟาุ้งซ่านนักเรีย้งรอ๋อได้คำตอบเราต้องบอกอย่างนี้บางทีต้องหาสุดตรงีกด้านหนึ่งแล้วก็จะรุ้อีกด้านหนึ่งคืออะไรได้ฟังซีดีของอาจารย์นะคะในแผ่นไหนไม่ทราบค่ะบอกว่าในชีวิตประจําวันของอาจารย์เนี่ยเวลาที่อาจารย์ทํางาน อาจารย์จะใช้เวลาทํางานเนี่ยจะใช้จะหยุดเป็นจังหวะจังหวะมีจังหวะแต่ละช่วงแต่ละช่วงอยากทราบอยากเรียนถามอาจารย์สองข้อก็คือหนึ่งแต่ละช่วงที่อาจารย์หยุดเนี่ยทําเพื่ออะไรคะแล้วสองวิธีการในการหยุดแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ยมีวิธีการอย่างไรคะในการหยุดอย่างนี้คะ่ะขอบคุณค่ะมีความรับคนพิการนะ ผมจะ ช, ชีวิตด้วยแบบคนอื่นแล้วมันเป็นร่างกายที่สภาพมันไม่เหมือนคนปกติมันมีความเคลื่อนไหวได้แค่เนี้ยผมจะช่วยตัวเองได้เพียงแค่นี้เพียงแค่นี้นะตแต่แก้วไหลขึ้นไปเนี้ยรับผิดชอบร่างกายต้งเยอะแยะเราต้องรับผิดชอบก็าเราจะช่วยเขาอย่างไรการจะพลิกตัวการจะดึงเหนียวตัวการจะจับไหล่เนี้ยผมต้องทําเป็นจังหวะ ถ้าพุ่นทำทีเดียวเลยเนี่ยพอไม่มีกําลังพอจะหยิบของมันต้อง ป, ปับปั๊บคือถ้าเอื้อมเราต้องจับเลยเอื้อมแล้วเป็นรอชา้ามือมันจะลวกต้องจับต้องจับทันทีเป็นจังหวะที่จะต้องคว้ามันให้ทันนะจะหยิบอะไรขึ้นมาเนี่ยหยิบเนี่ยมันต้องพอดิบหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นมาก็ถึงจะดึงถ้าดิบไม่ยิปั๊บเนี่ยมันไม่ได้กําลังแขนเราไม่พอเราต้องทําเป็นจังหวะ เพราะจังหวะของผมเนี่ยมันจะช้าแต่ละจังหวะเนี่ยมันตัดเมื่อสมัยก่อนเรามีความเครียดมากกัรที่เราทำทำอะไรช้ามากไม่ทันใจไม่ทันกิเลสในใจว่างั้นเลยทําช้าแล้วมันหงุดหงิดเราก็เลยวิธีคิดมันเปลี่ยนเลยว่าเออช้าก็ดีเนาะสติมันเกิดง่ายถ้าทําใหม่ๆเรา ท, ทําด้วยความเคยชินเห็นไหมทุกวันนี้เราทำอะไร ท, ทําด้วยความเคยชิน ขัด้วยความเคยชินใจก็คิดมือก็ขับเนี่ยมือก็ขับโทรศัพท์อีกข้างเก่งมากแต่ที่ขับรถในใจไม่อยู่แนละ้อยู่ที่โทรศัพท์เราเก่งมากทําด้วยความเคยชินเอารถไปรอดเหมือนกันนะอันตรายนะนะนั่นผมทำต้องทํำด้วยไม่มาต้องตั้งใจจับเนี่ยกรยกจะพลิกตัวต้องยกตัวขึ้นก่อนแล้วก็คว้าขาหยุดตั้งหลกักแล้วก็พลิกตัว ถ้าเราคว้าทีเดียวไม่มีจังหวะนะทําอัตโนมัติเลยเนี่ยเราจะหงายท้องเสียจังหวะแล้วยิ่มีคนมาช่วยเราเนี่ยทำให้เราเสียจังหวะมากนะทำให้เาเสียต้องเริ่มต้นใหม่ดูสิเราต้องมีจังหวะของเราเช้าแต่และจังหวะเนี่ยมาก่อนเนี่ยเราฝึกสติเลยช้าก็ดีสติมันีพอจับปั๊บรู้ตัวปัจจุบันพลิกนะการพับผอมการจะแปลงเปลนทุกอย่างต้องเป็นจังหวะ ถ้ารีบทำเมื่อไหร่มันจะพลาดทันทีเลยแล้วต้องเริ่มต้นใหม่เมื่อทีมันเสียของยกแก้วเนี่ยมันทีรีบปั๊บมันหล่นแตกเสียดายของถูกดุข้างตรงข้างเลยเลิกเลิกที่จะทํำอะไรรีบต้องทําำราชาผมทําอะไรไม่ได้ทําให้มันเสร็จทําเพื่อจะทํามันอย่างเดียวไม่ได้ทําให้เสร็จพอทําให้เสร็จจิตมันเครียดนะเราทําไม่ได้อย่างที่เราอยากเราทําเพื่อจะทําำนะไม่มีความสุขกับการกระทํา ผมไม่ได้ทําให้ไม่ได้ทานข้าวผมไม่ได้ทานให้มันอิ่มทานเพื่อจะทานไปมันก็มีความสุขกับการทานข้าวเคยไหมทําอะไรเพื่อจะทํานี่ยเรามักจะทําเพื่อจะเสร็จใช่ไหมเพื่อจะไปทําอย่างอื่นต่อเสร็จแล้วเพื่อจะเสร็จแล้วไปทําอย่างอื่นต่อตลอดชีวิตเนี่ยเรามีแต่จะต้องไปต้องทําเราลองทําเพื่อจะทําเนี่ยมันมีความสุขอยู่ตรงนั้นเก็บเกี่ยวอยู่ที่ใจขณะที่ทําเพื่อจะทํา การทําเป็นจังหวะทําให้เรามีสติตัดตัดอารมณ์ความคิดได้เพราะต้องมีความตั้งใจสูงกว่าคนธรรมดาการจะขยับตัวแต่ละอย่างเนี่ยต้องมีความตั้งใจอย่างเงี้ยถ้าผมลงเผลออาจจะพลาดอะไรก็ได้ผต้องมีหลักผมไว้การจะขยับต้องเป็นจังหวะใหม่ๆเราก็ต้องตั้งใจแล้วก็ต้องมันเติมสติเจริญสติในชีวิตประจำวันก็ตรงเนี้ สติมันเกิดได้ง่ายมากเพราะมันมีการระแวดระวังตัวเราเองสติเกิดได้ง่ายต่อไปมันบางทีมันเริ่มเริ่มจะเคยชิตอัตโนมัติบางทีมันลืมไปว่าเราไม่ปกติก็ทําเหมือนเราบางคนธรรมดาคว้าขาด้วยรีบรอนแล้วมันก็ทําได้คล่องตัวบางทีมันก็ลืมนะว่าเราเป็นคนที่ไม่ปกติเพราะทําอ๋อชีวิตเรามันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปกติอย่างนี้ชีวิตเรามันต้องไม่ปกติอย่างนี้ มันเลยเป็นการที่ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้